บทที่6พระอระเรห์วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2521หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในประเทศไทยลงข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจะอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงกลายเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ และเกือบจะทั่วโลกทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนั้นนอกจากเสนอข่าวเป็นภาษาไทยแล้วยังมีฉบับที่เสนอข่าวเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนอีกด้วยเช้าวันนี้ผู้คนจึงหลั่งไหลกันมาจนแน่นโรงพยาบาลพ่อค้าแม่ขายถือโอกาสนำสินค้าพื้นเมืองเช่นปลาย่างปลาเคม็มข้าวซ้อมมือ และผักต่างๆมานั่งขายหน้าโรงพยาบาลคนที่มาจึงมีของติดไม้ติดมือกลับไปบ้านท่านพระครูก็ต้องเล่าเรื่องอุบัติเหตุรถควม่มวันละหลายรอบจนจำได้ขึ้นใจแรกๆก็เล่าอย่างละเอียดเหมือนเรียงความครั้นต้องเล่าบ่อยๆจึงค่อยๆย่นย่อลงกลายเป็นย่อความและคนที่ฟังมากที่สุดก็มีอยู่สี่คน คือแม่จวนโยมเตียงในสมชายและในขุนทองใ้สมชายอดรนทนไม่ได้ถึงกับพูดสัพยอกว่าอัดเทปไว้ดีไหมครับหลวงพ่อเวลาคนมาผมจะได้เปิดให้ฟังหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องใช้เสียงมากและที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มาเขาจะได้ฟังในปริมาณที่เท่าเทียมกัน ความยุติธรรมจะได้เกิดขึ้นเองวาข่าไม่ยุติธรรมยังไงก็หลวงพ่อเล่าแบบเรียงความบ้างย่อความบ้างถ้าเป็นสาวๆสวยๆหลวงพ่อก็เล่าแบบเรียงความพ่อคนแก่มาก็เล่าแบบย่อความชายหนุ่มใส่ใครอ ย, อย่างตั้งใจมันจะมากไปมันจะมากไปเรื่องอะไรเองมาใส่ใครป่ายความเหตุข่า ท่านรม ท, ทีเป็นโกรธไม่ได้ใส่ใครไม่ได้ป้ายความหะหนูเป็นพยานได้หลงลงลำเอียงจริงๆนั่นแหล ะ, หะในขุนทองให้ความร่วมมือกับลูกพี่เพื่อหาเรื่องพันพระครูร้อนถึงแม่จวนต้องมาห้ามทับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหามือทั้งสองประคองพระพุทธรูปปางมานวิชัยขนาดหน้าตักว้างก้านิ้ว ชายหญิงวัยกลางคนคลานตามเขาเข้ามาวางพระพุทธรูปไว้ทางขวามือและจึงกราบเบญจางคบปติสามครั้งชายหญิงวัยกลางคนก็กราบแบบเดียวกันหลวงปู่ครับพ่อกับแม่ผมมาให้หลวงปู่สสด็กระคองครับหนุ่มน้อยกราบเรียนทำไมถึงต้องเป็นหลวงปู่ล่ะหนูไม่เห็นห ร, อหรือ ว่าหลวงปู่เองก็มีเคราะห์เห็นไหมถูกใส่เฟือกไปครึ่งตัวเลยขนาดเคราะห์ของตัวเองหลวงปู่ยังสะเดาะให้ไม่ได้และจะไปสะเดาะเคราะห์ให้หนูได้อย่างไรท่านพูดอย่างอารมณ์ดีแต่เด็กหนุ่มไม่เข้าใจคิดว่าท่านดุจึงถึงกับหน้าเหลือหันไปมองบิดามารดาตาละห้อยคนเป็นแม่รู้สึกสงสารลูกชาย จึงกราบเรียนว่าคืออย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพอ่อดิฉันไปดูหมอมาเขาบอกว่าลูกชายดิฉันกําลังมีเคราะห์ต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยการเช่าพระพุทธรูปไปถวายพระอรหันต์ต้องออกเสียงว่าอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ท่านพระครูพูดชัดขึ้นเจ้าค่ะคือหมอดูบอกให้เช่าพระพุทธรูปไปถวายพระ อรหันดิฉันก็ไปเช่าพระพุทธรูปมาจากเสาชิงช้าแต่หาพระอรหันต์มาไม่ได้สองเดือนแล้วเจ้าค่ะคนแถวบ้านเขาแนะนําว่าถ้าจะหาพระอรหันต์ก็ต้องไปแถวภาคอีสานดิฉันกับสามีและลูกก็ไปมาก็ไม่เจอพระอรหันต์เพราะหลวงพ่อหลวงปู่ที่เขาแนะนําให้ไปหาท่านก็บอกว่า ท่านไม่เฉ่พระอรหันต์ดิฉันก็อ่อนใจสงสารลูกก็สมสารพอดีเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์จึงรู้ว่าพระอรหันต์มาอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรีเลยพากันรีบมาที่นี่ล่ะเจ้าค่ะเสียใจด้วยนะโยมอาตมาไม่เฉ่พระอรหันต์อาตมาเป็นพระอรหต่างหากก็คงจะแทนกันได้นะเจ้าค่ะ เห่กับหันก็ความหมายคล้ายๆกันดิฉันครั้นที่จะไปตามหาพระอระหันแล้วล่ะค่ะขอสะดาะคราะหกับพระอระหะก็แล้วกันหรือคุณว่ายังไงหล่อนขอความเห็นจากสามีผมเห็นด้วย และผมก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวหนังสือพิมพ์คงไม่โกหกกรอกเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมเชื่ออย่างแน่นแฟน้นว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็คือท่านจะไม่ยอมพูดว่าท่านเป็นเข้าสูตรคนเป็นไม่พูดคนพูดไม่เป็นเขาบอกสูตรสำหรับตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์ที่ได้ยินมาได้ฟังมา ตกลงหลวงปู่สะดกเคราะห์ให้ผมนะครับไม่เช่นนั้นพ่อกับแม่จะต้องพาผมตะเวนไปอีกร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้าเพื่อหาพระอระหันต์เด็กหนุ่มพูดจาหน้าสงสารหนูจะเอาอย่างนั้นหรือท่านพระครูถามเพื่อความแน่ใจครับผมจะได้หมดเคราะห์และจะได้หมดเรื่องหมดราวเสียทีเสียงที่พูดบ่งบอกว่ารำคาญเต็มทีแล้ว นันก็ตกลงหลวงปู่จะสะเดาะเคราะห์ให้แล้วหมอดูเขาบอกหรือเปล่าว่าจะต้องทำพิธีอะไรบ้างที่ถามเพระหลวงปู่ไม่ค่อยเด็ดทำอย่างนี้มารดาของหนุ่มน้อยจิงตอบว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรเลยเจ้าค่ะเขาบอกแค่ว่าให้เช่าพระพุทธรูปปางมารวิชยัยขนาดหน้าตักเก้านิ้ว ไปถวายพระอาหารหันต์ก็ถือว่าหมดเคราะห์แล้วแม้หมดง่ายจริงแบบนี้นี่เองพระพุทธรูปจึงได้ขายดิบขายดีท่านพูดยิ้มยิ้มถ้าอย่างนั้นไอ้หนูก็เอาพระพุทธรูปมาประเคนท่านเลยลอนสั่งบุรชายเดี๋ยวก่อนต้องกล่าวคำถวายก่อนกล่าวเป็นหรือเปล่าท่านถามสามพ่อลูก ทุกคนตอบพร้อมกันว่าไม่เป็นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวพุทธยุคนี้ที่ไม่รู้อะไรมากนะักไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีกรรมหรือหลักธรรมคำสอนถ้าอย่างนั้นก็ให้ลูกศิษย์ลุงโป่กล่าวนำนะแล้วหนูว่าตามญาติโยมทั้งหลายใครอยากได้บุญก็ให้ร่วมถวายพระพุทธรูป ก, กับโยมพ่อแม่ลูกด้วยญาติโยมที่นั่งอยู่ ตางก็พากันดีใจที่ได้บุญโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองจึงพากันประนมมือตั้งใจและพร้อมที่จะว่าตามลูกศิษย์วัดแม่จวนโยมเตียงและนายขุนทองก็ประนมมือด้วยนายสมชายจึงทําหน้าที่ถ่ายยกโดยการสั่งด้วยเสียงค่องข้างดังว่าก่อนถวายต้องกราบบูชาพระและกราบพระศิษยก่อนว่าพร้อมๆกัน อิมินาสักกาเรเณพุทธังปูเชมิอิมินาสักกาเรเณธรรมังปูเชมิอิมินาสักกาเรเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมัสามิกราบ สุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆนามามิกราบเมื่อบูชาพระกราบพระแล้วก็ต้องบอกอีกว่าต่อไปนี้ตั้งนโมสามจบว่าพร้มพรอมๆกันนโมตัสสะภควัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเป็นคําถวายพระพุทธรูปพร้อมคําแปลให้ว่าตามผมดังต่อไปนี้และคนทําหน้าที่ทายกจึงกล่าวนําให้คนอื่นๆว่าตามเทรวัรคําถวายพระพุทธรูปและคําแปลมีดังนี้อิมังพันเตพุทธรูปังสังคสสะโอโนชฉยามะ อายะติงศาสนัสัะอาติโรจนายะจะทาวรายะจะสาธุโนพันเตสังโคอิมังพุทธรูปังปฏิคณาตุอัมหากังทีคะัตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้แก่พระสงฆ์เพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความถาวรแห่งพระาศาสนาต่อไปข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินกล่าวคำถวายเสร็จแล้ว นายสมชายจึงบอกเด็กหนุ่มประเคนพระพุทธรูปเด่ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับด้วยมือข้างที่เคลื่อนไหวได้แต่พระพุทธรูปหนักมากกว่ากำลังแขนของท่านท่านจึงเรียกนายสมชายมารับแทนส่วนท่านเพียงแต่ใช้มือสัมผัส พ, พระพุทธรูปพอเป็นพิธีเท่านั้นครั้นมองหน้าคนประเคนก็พบว่า คอของเขาไม่มีศีรษะตั้งอยู่จึงบริกรรมในใจว่าสัมปติชามิสัมปติชา ม, ม, ชามิเมื่อต่อหัวให้เขาบริกรรมอยู่เป็นนานศีรษะจึงมาตั้งอยู่บนคอดั่งเดิมท่านรู้ว่าเด็กหนุ่มกำลังมีเคราะจิงดังที่หมอดูทำนายหากก็ยังไม่แน่ใจว่าหมอดูรู้จริงหรือว่าเพียงแต่เดาเอาเท่านั้น ท่านอยากรู้ความเป็นมาของเด็กนมว่ามีเบียนมีกรรมอันใดจึงวานให้เห็นหนอช่วยตรวจสอบและแล้วก็ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องช่วยอบรมบ่มนิสัยหนูนี่ชอบเทียงพ่อเทียงแม่คำไม่ตกฟากเลยใช่ไหมถือว่าเป็นลูกโทน พ่อแม่ตามใจก็เลยเกลิกมาเลกเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือชอบคบเพื่อนที่เกเรเหมือนกันแล้วก็เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกมาหลายครั้งใช่หรือเปล่านี่แหละเวรกรรมที่ทำกับพ่อแม่หนูถึงได้มีเคราะหไงละ่ะถูกหรือเปล่าที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยถูกไหมให้ตอบมาตามตรง และหลวงปู่จะช่วยสะเดาะเคราะหให้ถ้าโกหกไม่ช่วยนะก็หลวงปู่ช่วยสะเดาะเคราะห์ให้ผมแล้วนี่ครับพูดเสียงอ่อยเพิ่งจะรู้สึกกักตัวกลัวตายขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองแค่นั้นยังไม่หมดหรอกที่หลวงปู่เห็นน่ะหัวหนูไม่มีแล้วหัวขาดแล้วนะถ้ายังไม่กรับเนื้อกลับตัวต้องตายอย่างแน่นอนแล้วครับ หลวงปู่ช่วยผมด้วยเถอะครับผมกลัวเขารีบบอกหลวงปู่พูดเหมือนกับที่หมอดูพูดทุกอย่างทําให้เขาเชื่อมั่นว่าที่เขามีเคราะห์เพราะทํากรรมไว้กับพ่อแม่เหมือนที่หมอดูและหลวงปู่พูดข้างฝ่ายมารดาของเขานั้นถึงกับร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงลูกหลวงพ่อพูดเหมือนกับหมอดูทุกประการเลยเจ้าคะ่ะ แล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นคือลูกเขาทำให้ดิฉันน้าตาตกมาหลายครั้งหลายหนแต่ดิฉันก็ไม่โกรธเคืองอะไรเพราะว่ามีลูกอยู่คนเดียวพ่อเขากรุ้มใจมากบางครั้งถึงกับน้ำตาตกเหมือนกันแต่เราสองคนก็ไม่โกรธลูกลงนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อช่วยชีวิตเขาด้วยอย่าให้เขาต้องตายเลยนะเจ้าคะ่ะหล่อนอ้อนว อ, อนท่านพระครู รู้สึกสงสารคนเป็นพ่อแม่ถึงท่านจะไม่เคยเป็นพ่อแม่คนแต่ก็เข้าใจหัวอกของพ่อแม่ดีว่ารักลูกและหวังดีต่อลูกเพียงใดแต่วิธีสะเดาะเคราะหของอาตมาไม่เหมือนกับที่หมอดูบอกมานะอย่างไรก็ตามอาตมาขอชมเชยว่าหมอดูคนนี้ดูแม่มนจริงปกติอาตมาจะไม่เชื่อหมอดู และไม่สนับสนุนให้ใครไปดูหมอดูเพราะหมอดูไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตัวเองตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แต่ก็เอาละในเมื่อหมอดูเขาเกิดทายตรงกับที่อาตมารู้โยมก็เชื่อหมอดูได้แต่ถ้าต้องการให้ลูกหมดเคราะห์อย่างแท้จริงก็ต้องทาตามที่อาตมาแนะนา หลวงพ่อบอกมาทศเจ้าค่ะว่าจะให้พวกเราทำอะไรเราสามคนยินดีทุกอย่างใช่ไหมลูกประโยคหลังหล่อนถามลูกชายส่วนสามีนั้นไม่ต้องถามเพราะเขาอยู่ในโอวาทของหล่อนทุกประการมานานแล้วครับแม่หลวงปู่ต้องช่วยผมนะครับผมยังไม่อยากตายถ้าผมตายใครจะหาเลี้ยงพ่อแม่ยามที่ท่านแก่เท่า เขพูดออกมาจากใจจริงเพิ่งจะรู้จักกับความกระตันยูในวันนี้เองก่อนหน้านี้รู้จักแต่ความอักกระตันยูเอาละ่ะถ้าเชนันหลวงปู่จะบอกหนูว่าหนูต้องเข้ากรรมฐานตั้งแต่วันนี้ต้องเข้าให้ครบเจ็ดวันแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่พูดไม่คุยกับใครต้องถือคติกินน้อย นอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากหนูจะทำได้ไหมถ้าทำได้จึงหมดเคราะห์แล้วก็จะมีชีวิตยืนยาวจนได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยามแก่เท่าทำได้ไหมได้ครับหลวงปู่ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปนี้ผมจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นลูกที่ดี จะไม่คบเพื่อนไม่ดีอีกแล้วผมให้สัญญากับหลวงปู่ครับดีแล้วต้องมีสัต จ, จะนะพูดแล้วต้องทำให้ได้เอาละให้ไปที่วัดนะไปบอกพระมหาบุญว่าหลวงปู่ให้มาเข้ากรรมฐานท่านรู้ว่าพระโบเฮียวจะออกจากผลสมาบัติในวันพรุ่งนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา แล้วก็จะช่วยสอนพ่อหนุ่มคนนี้ในช่วงที่ท่านยังอยู่ในสมาบัติก็ให้พระมหาบุญดูแลเข้าไปก่อนและยอมสองคนละ่ะจะปฏิบัติกับลูกไหยท่านสอบถามสามีภรรยาถ้าปฏิบัติจะช่วยเขาได้ไหมเจ้าคะคนเป็นแม่ถามได้แต่ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนและยมละ่ะท่านถามไปที่พ่อ ผมต้องกลับไปลาพักร้อนก่อนครับเพราะผมทำราชการถ้าเช่นนั้นก็ให้เขาอยู่กันสองคนแม่ลูกก็ได้อีกเจ็ดวันยมคอยมารับกลับหรือว่าจะลางานมาเข้าด้วยกันก็ได้ทั้งสองอย่างครับผมคิดว่าผมเลือกอย่างแรกจะดีกว่าจะได้เก็บันลาไว้เผื่อมีธุระจำเป็นคนเป็นพ่อพูดอย่างที่คิดรอบคอบแล้ว ตามใจจะทาอย่างนั้นก็ได้เอาละให้กลับไปที่วัดเลยนะไปถูกไหมละ่ะถูกครับตอนขามาผมก็ขับรถผ่านเห็นป้ายบอกทางอยู่ที่หน้าวัดแต่เมื่อก่อนเป็นหลังวัดนะฮะหน้าวัดติดแม่น้าพอตัดถนนสายเอเชียหลังวัดก็เลยกลายเป็นหน้าวัดแล้วหน้าวัดก็เลยกลายเป็นหลังวัด นายขุนทองอธิบายโดยไม่ต้องมีคนเชิญใครเขาจะพูดอะไรกันเขาจะต้องขอมีส่วนร่วมจนได้พูดพอหอมปากหอมคอก็อพอใจแล้วสามคนพ่อแม่ลูกกลับไปแล้วท่านพระครู ย, ยังต้องรับแขกต่อไปกระทั่งถึงเวลาฉันเพนนายสมชายขอร้องให้พวกเขารอจนกว่าท่านจะฉันเพนเสร็จและขอให้ออกไปรอข้างนอก มิฉนั้นท่านจะคุยเพลินจนไม่ยอมฉันพัตนาหารหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือครับผมเห็นพูดทั้งวันเหมือนไม่ใช่คนไข้นายสมชายพูดขึ้นขณะจัดสำรับถวายแม่จวนกับโยมเตียงกำลังช่วยกันปอกผลไม้ ต่างประเทศที่มีคนนำมาถวายท่านพระครูนั่นสิฮะหนูเงีย่ยเหนอยแทนหลงลุงเลยฮะคุณทองรีบสนับสนุนลูกพี่ท่านพระครูนึกบันไสหลานชายจึงว่าขอให้ไดเอี่ยวเถอะนะเองนะ่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรเองต้องขอเอี่ยวไปทุกทีกำไรชีวิตไงฮะ แต่ข่าวาขาดทุนมากกว่าเพราะคนอย่างเองยิ่งพูดก็ยิ่งขาดทุนใชขาดทุนได้กำไรมันก็เรื่องของหนูไม่ใช่เรื่องของลุงลุงเรื่องของลุงลุงก็คือเตรียมตัวฉันพัตนหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ทำหน้าที่รับแขกต่อถ้าอยู่ที่วัดหนูก็จะจัดตารางให้แต่อยู่โรงพยาบาลหนูทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ถิ่นของเราเว้นแต่หมอเขาจะสั่ง เองก็เป็นหมอสิเองสิท่านพระครูพูดประชดอุ้ยไม่เอาหรอกค่ะเป็นหมอน่ะยากมากถ้าเป็นเมียหมอง่ายกว่าเยอะชายหนุ่มตอบก็ว่าจะเล็งแลหาหมอนมหนุ่มๆสักคนเผื่อโชคดีก็อาจจะได้เป็นเมียหมอกับเขาบ้างถ้าไม่ได้เป็นเมียหลวงก็ขอเป็นเมียน้อยก็ยังดี หลวงพ่ออย่าไปเสียเวลากับมันเลยนิมนตฉันเพนเถะครับประเดี๋ยวต้องทํางานต่องานหนักเสด้วยนายสมชายนิมนนั่นสิทั้งหนักกายแล้วก็หนักใจเลยเชละที่ว่าหนักกายพระถูกใส่เฟือกไว้ตั้งครึ่งตัวส่วนหนักใจก็ตรงที่สงสารพวกที่มาเพื่อจะมาขอหวยพยายามซักไซน์ฉัน จะเอาตัวเลขไปแทงหวยให้ได้เธอสังเกตไหมบางคนพยายามให้ฉันพูดเป็นตัวเลขออกมาไม่รู้จะงมงายกันไปทึงไหนท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจช่างเขาเถะครับหลวงพ่อคนแบบนี้มันมีทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าแต่คนเลยถึงพระก็ชอบเล่นหวยสมภารบางวัดต้องหมดเนื้อหมดตัว ก็เพราะหวยนี่แหละเธอพูดอย่างนี้ทำให้ฉันนึกถึงสมัยที่จอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคนก็บ่าหวยกันเหมือนสมัยนี้นั่นแหละมีทั้งหวยรัฐบาลหวยใต่ดินหวยรัฐบาลสมัยนั้นเวลาขายจะต้องมีต้นขั่วเขาก็จะให้คนซื้อเขียนข้อความอะไรก็ได้ให้เรียงเป็นแถวเดียวกัน แล้วก็ฉีกออกเป็นส่วนหนึ่งเวลาถูกเขาก็จะเอาข้อความที่เขียนไว้มาเรียงกันแล้วก็ดูว่าลายมือเหมือนกันไหมยกตัวอย่างเช่นเธอเขียนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็จะให้เธอไปส่วนหลังคือส่วนทำชั่วได้ชั่วถ้าเกิดถูกเขาก็จะเอามาต่อกับทำดีได้ดี าลายมือเดียวกันจึงจะรับเงินได้เพราะฉะนั้นเวลาคนซื้อหวยรัฐบาลจึงต้องมีคำขวัญมาเขียนหลังใบหวยคำขวัญที่เขียนขึ้นชื่อในสมัยนั้นก็คือเชื่อผู้นำจากเจริญ น, นี่เป็นคำขวัญของจอมพลปทีนี้ก็มีคนคนหนึ่งแกเกลียดจอมพลปมากซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของผู้นำทุกยุคทุกสมัย ที่ต้องมีคนรักบ้างคนเกลียดบ้างแต่คนนี้แกไปซื้อหวยแกก็เขียนไว้ข้างหลังว่าเชื่อผู้นำระยำทั้งชาติปรากฏว่าแกถูกลางวนที่หนึ่งแต่ไม่กล้ามารับเงินเพราะกลัวถูกจับในข้อหาตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อนายกรัฐมนตรีฉันยังนึกเสียดายเงินแทนแกเลยท่านพระครูเล่าถึงเหตุการณ์ ครั้งอดีตจะยากอะไรล่ะหลวงลุงก็ลบประยาทั้งชาติออกแล้วก็ใสชาติเจริญลงไปก็สิ้นเรื่องไม่น่างโง่ในขุนทองอดเอี่ยวด้วยไม่ได้ตามนิสัยของคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นเวลาที่คนอื่นเขาคุยกันเขาไม่ได้งโง่หรอกเจ้าขุนทองถ้างโง่ก็คงจะเป็นเองนี่แหละ เอาอีกแล้วลุงลุงด่านหนูอีกแล้วทำไมถึงต้องเป็นหนูด้วยก็ไม่รู้ชายนุมบนแม่จวนนั่งฟังมานานหากปล่อยให้พระลูกชายต่อลอดต่อเทียงกับหลานชายต่อไปเห็นจะเลยเวลาฉันจึงต้องทำหน้าที่มารดาผู้หวังดีต่อบุตรด้วยการพูดด้วยเสียงเข้มเข้มว่าท่านลงมือฉันได้แล้วเดี๋ยวจะเลยเวลาเพน ท่านพระครูจึงหยุดพูดโดยคิดว่าลูกที่ดีต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แม้ท่านจะ ก, กำพร้าโยมพ่อแต่ก็มีโยมแม่คอยสั่งสอนและต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างสูงสุด